พระธรรมเทศนาแผ่นที่ดสิบดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่2กระกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมความตาย วันนี้เป็นวันที่สองกรกดาคมพุทธศักราช2558วันในพระในวัดของเราก็41โรคเมื่อวานลงโบสถแล้วก็ในช่วงนี้ในวัดของเราก็มีแต่ว่าเตรียมที่จะเข้าพรรษา ทางในครัวก็ช่วยๆกันดูนะมีอะไรขาดเหลือขาดตกเพราะว่าวัดของเรามันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจะต้องวางแผนการดูแลตอนรับผีน้องัทธายาติโยมที่เข้ามาสู่วัดแต่เราแบบตอนรับแบบกรรมฐานแบบง่ายๆก็ไม่มีอะไรแต่ถึงยังไงก็ต้องเราเป็นเจ้าของบ้าน เราจะต้องช่วยกันดูช่วยกันแลช่วยกันตรงไหนที่มันไม่ดีขาดตกบกพร่องเสนาชนะที่พักพาอาศัยทั้งในครัวทั้งข้างนอกก็ช่วยช่วยกันดูนะหลวงพ่อมีแต่บอกแต่กล่าวเท่านั้นเองมีแต่บอกให้พวกเราช่วยกันดูเพื่อความไม่ให้มันขาดตกบกพร่อง ทางบ้านสวนก็เหมือนกันกุฏิหลังไหนอะไรถนนหนทางหรือป่าญ้าที่มันลกจะเอาขู่คนล้ดมไปช่วยกันไปดูไหมอันนี้ก็ทั้งให้ช่วยช่ยกันทั้งกูบาก็ช่วยกันคิดนะนะช่วยกันคิดสรุปแล้วก็คือให้พวกเราอยู่ด้วยความ ร่มเย็นผาสุกตามอัตภาพอัตภาพก็คือให้อยู่ไม่ใช่ว่าหลูหลาโออาฟุ่งเฟือยเหลือเฟือ <c oughs> อยู่แบบลกโลกเขาไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่พอเพียงแบบทางโลกนะพอเพียงแบบทางธรรมอีกสันทุถีประมังทะนัง ความสันโดษ เ, เป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรับอันประเสริฐนี่แหละแต่าพวกเราอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เสมออยู่ที่ไหนมีแต่ความสะ ด, ดวกสบายอยู่ด้วยความผาสุกทั้งนั้นแหละถ้าอยู่ด้วยความหรูหราโอ้อาลืมตัวนะั่นแหะอยู่ที่ไหนทุกนะลูกหลานนะเหมือนกับกาไนงะ คนโบราณเขาว่าในพระไตรปิฎกท่านบอกว่ากาทําไมไม่มีไขมันกาทําไมไม่มีไขมันไม่มีไขมันเปลวกาท่านคนโบราณเขาพิสูจน์แล้วว่าการเป็นสัตว์ที่วิตกกังวลเป็นสัตว์ที่กกเกิดตะกราตะกรามมีความโลภอยู่ในใจกินไม่รู้จักอิ่มมีความวิตกอยู่ตลอดเวลาน้า ไขมันเขาเลยไม่มีเพราะมันไม่ได้พักผรเท่าที่จะพักผ่อนได้ไม่ได้พักหาความสุขมีแต่ทุกอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือกานะอันนี้คงเหมือนกันนะมนุษย์ของเราพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทถ้าเรามีแต่ส่งจิตใจออกไปข้างนอกตลอดเวลามันก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกันนะ ออย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอคนนั้นทําไมเป็นอย่างนี้ธมิส น, น, นะทำไมเป็นอย่างงั้นพระทําไมเป็นอย่างงี้พระสงฆ์ทําไมเออไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นะหลวงพ่อบอกว่ า, วาถ้าทุกคนระลึกถึงความตายอยู่ในใจทุกสิส้นทุกอย่างมันจะไม่มาก ถ้าไม่ระลึกถึงความตายเลยตัวเองคิดว่าตัวเองจะไม่ตายนั่นแหละมันเรื่องมันยุง่งเหยิงวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าวันละเลือกถึงความตายไว้อยู่เสมอน่ะมรังเมภาวิตสติให้ระลึกถึงความตายไว้ววยวยอยู่เออถึงจะไม่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าแ น, นนะนําก็เถอะนะแต่มันเลือกไหนที่มันยุง่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาแล้วก็แล้วให้ระลึกถึงความตายของตนเอง เรื่องทั้งหลายมันก็จะสะดุดหยุดอยู่จะไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะเหตุใดเพราะว่าเมื่อเราลึกถึงความตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราจะอยู่ในสถานะไหนเพราะว่าเราจะกระโดโดโลดเต้นไปเกิเท่านั้นแหละอีกสักวันหนึ่งเราก็ยต้องทิ้งอีกเหมือนกันทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นในเมื่อเราลึกถึงความตาย ไว้อยู่เสมอนะความพอเพียงก็จะมีแนตะ่อันไหนคือความพอเพียงอันไหนคือความถูกต้องเหมาะสมอันไหนที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติออตามการละการสถานที่นั้นๆการการลเทสะบุคคล น, นั้นๆแต่ถ้าว่าพวกเราลืมตัวในจุดนี้นะออลืมว่าคิดว่าตัวเองจะไม่ตายคิดว่าตัวเองจะครองโลกไปนาน อันนั้นแหะคือความล้อลืมตัวพอลืมตัวเสร็จแล้วขนาดั้นก็วางแผนอะไรคิดว่าตัวเองจะอยู่นานอคิดว่าจะไม่ตายง่ายผลที่ถูกก็เลยไปขวางคนอื่นเขาทั้งหมดเลยเธอเดือดร้อนวุ่นวายไปเพราะเพราะตัวเองที่ว่าตัวเองจะอยู่นานจะไม่ตายนี่แหละอันนี้ก็คือมีส่วนทุกระบบไม่ไม่ว่าเจ้าอาวาสไม่ว่าส่วนรัฐการไม่ว่า รัฐบาลยุคไหนสมัยไหนรัฐมนตรีสมัยไห น, ไหนพอปรปปับขึ้นมาก็วางแผนเพื่อจะอยู่นานๆทีละอผลที่สุดก็เนี่ย พ, พออยู่เข้าไปไม่กี่น้ำํำก็พังทลายแต่ตามไม่ริงถ้าอยู่ใช่คิดว่าจะอยู่นานแต่ว่าก็ต้องวางแผนระยะสั้นระยะยาวอระยะกลางอถ้าเราได้อยู่แล้วจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ อ่ก็เป็นอย่างนี้ประเทศชาติต้องอยู่ได้ถ้าว่าพวกเราคิดไว้ในใจอยู่เสมอนะั้ามีคุณธรรมในจิตใจนะนั่นแหละอยู่ด้วยกันขนาดไหนก็ล่มเย็นเป็นทุกทั่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าพวกเราเถ้าวาตนเองไม่ได้แล้วคนอื่นไม่ต้องได้แต่คิดได้เพียงแค่นั้นละกัยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทุกหัวและแห่งเพราะหะไรเพราะว่า มันคิดสั้นมันไม่คิดไม่ยาวไม่คิดเผื่อแผ่ให้กับคู่คนทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อก็เคยพูดวันวา น, วนมา่ก่อนก็พูดอีกบอกว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคนในโลกแล้วตัวของเราก็ตามพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราทุกกลุม่มทุกหมู่ทุกคณะบางสิ่งบางอย่างมันพูดได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็พูดไม่ออก ต้องปิดไว้ก่อนเพราะเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ต่อการค้าเพผลประโยชน์ในกลุ่มแต่บางคนโดยมากมีอะไรก็แควเปิดให้เขาดูหมดอย่างหลวงพ่อเมื่อเช้าเนี่ยไปเห็นยางพาราอยางพาราเขาชาวบ้านเขากําลังขนออกมาขายหลวงพ่อก็ถามราคาเท่าไหร่ว่าลูกหลาน ประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าบาทโอ้ทาไมมันลดลงนั่นเลยทีลดลงเรื่อยๆอืเนี่ยแหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งพอถามข้างในอีกเหมือนกันเอ๊ะถามพ่อค้าใหญ่เข้ามานะเอ๊ะทําไมยางมันทําไมเมืองจึงลดลงอย่างนี้เอเพราะว่าทางรัฐบาลเขาว่ามันยางมันมันล้นตลาดครับหลวงพองนะ่อเอเพอยางมันมากพอยางมันมากเขาก็เลยกดราคาออื ตาไม่จริงพวกปากไม่มีหูรูดมันก็ยากอีกเหมือนกันนะอแต่ตามไม่จริงยางมันไม่มากถึงขนาดนั้นอมันยางมันกว่าที่ได้ยางไปเนี่ยเราจะไปพูดทําไมยางอมันมีเท่าไหร่มันก็มีกุสโลบายหรือมีเทคนิคออย่างข้าว เ, าเหมือนกันอข้าวของเราเนมะันข้าวเสียข้าวเสียข้าวเสี ย, ข, สยข้าวล้นตลาด ป ร, ประเทศอื่นที่เขาจะซื้อจากข้าวจากเราเราก็เขาก็กลัวเราจะเอาข้าวเน่าไปให้ขายให้เขาเพราะข้าวมันล้นตลาดเนี่ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือคนในชาติปากไม่มีหูรูดสรุปแล้วไม่มีความลับตาไม่จริงถ้ามันเสียจริงๆจะไปเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ให้ลกสางทำไมขนลงไปทิ้งลงน้ำทะเลมันจบๆต่อไปก็จะได้ประกาศว่าข้าวเมืองไทยหมดแล้ว เข้าวเน่าข้าวเสียหมดถ้ามีแต่ข้าวดีทั้งนั้นไอ้ต่างประเทศเขายึดมือเข้ามาซื้อเขาจะได้สบายใจว่าไม่เอาข้าวเสียไปให้เขาเนี่ยสรุปแล้วก็คือเรื่องการทาํามาค้าขายหลวงพ่อว่ามันก็มีเรื่องที่จะต้องผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเทคนิคของมันอยู่ในนั้นแหละถ้าว่าไม่มีการดูแลรักษาอะไรก็ตามเลย มันก็ไปแต่ยากเหมือนกันนะไม่ว่าทางพุทธศาสนาก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ใช่ท่านเปิดให้ให้เห็นความตามความเป็นจริงในหลักธรรมคําสอนเพราะว่าใจของเราโดยมากมันหลงมันติดพบติดชาติมานมนานแต่ถึงยังไงก็ตามอันนี้คือภาษาตของตัวเองอันนึงคือ ภาษาบริหารเรื่องภาษาบริหารไปอีกแบบนึงเรื่องพระวินัยเรื่องพระวินัยกับเรื่องพระวินัยเรื่องพระสูตรกับเรื่องพระสูตรเรื่องพระประมาทก็คือพระประมาทถ้าเราออกประมาทไปตีพระสูตรพระวินัยไม่ได้คือว่าพระปรมาทคืออะไรเราต้องศึกษาพระวินัยคืออะไรเราก็ต้องศึกษา พระสูตรคืออะไรเราก็ต้องศึกษาเพราะวินัยคือกฎระเบียบคือศีลวินยัยการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีเป็นผู้ส้ำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยให้อยู่ในกฎระเบียบไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้อยู่ในกรอบอันนี้คือวินยัยพระสูตรคือความเป็นมาความเป็นมาของประเทศไทยเป็นมาอย่างไรตั้งแต่พ่อคุนศรีอินทร athi พ่อคุณรามคำแหง กรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสิน์การปกครองการบริหารปัจจการเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ความเป็นมาของเรื่องของพระศดในหลักในพระไตรปิฎก็คือความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติที่ไหนเกิดที่ไหนอตระกูลเป็นยังไงในอดีตชาติเป็นยังไงเปรียบเทียบเข้ามาแล้วกัผู้ที่มาเกี่ยวข้อง อในพุทธศ า, าสนามีกี่ท่านมีกี่คนอุบาสกผู้ชายเป็นยังไงฝ่ายผู้หญิงเป็นยังไงฝ่ายภิกษุณีเป็นยังไงฝ่ายภิกษุเป็นยังไงสามเณรเป็นยังไงแต่ละแต่ละประวัติอันนั้นเรียกว่าจัดว่าเป็นพระสูตระพระวินัยคือกฎระเบียบพระสูตรก็คือความเป็นมาพระประมัติคือแนวความคิดท่าอนนะสอนในแนวความคิดพระพุทธเจ้า่อให้พิจารณาดูนะให้เห็นอันนีจัง ทุกขังอนัตตานะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อ่าไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นอนัตตาเออร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นอนัตตานะไม่ใช่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะตอนนีเราจะเอาพระสูตรกับพระวินัยเข้ามาอ้าวจะไปพูดได้งไงถ้าว่าท่านไม่ใช่ตัวตนของเราก็ขอเตะดูเสียวะนี่เนี่ยเอาพระวินัยเอาพระสูตรเข้ า, ขามา ทำร้ายพระประมัดมันก็ น, นั่นแหะมันก็เถียงกันวันยังข้ามอะไรที่นี่ทําไมถึงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตวนของเราคิดดูซิถ้าว่าร่างกายเป็นตัวตวนของเราอย่าให้มันแก่ห้ามได้ไหมอย่าให้มันเจ็บห้ามได้ไหมอยาให้มันตายห้ามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จะเป็นตัวของท่านได้อย่างไรคิดดูให้ดีถ้ามาถึงจุดนี้มึงต้องทําจิตใจให้สงบซะก่อนะออจิตใจสงบจิตใจเป็นหนึ่ง ใจิตใจเป็นสมาธิซะก่อนในเมื่อเป็นใจิตใจเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ว่าตัวนี้คืออะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้สอนอย่างนี้เข้าใจแต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะั้มีแต่เอาพระวินัยกับพระสูตรนะมาถกเถียงกันวันยังค่ำนะั่นนะอันนี้ก็เหมือนกันในโลกนีมันมีอยู่ลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าว่าคนสายตาสั้นมอง แงใดแงหนึง่งมุมใดมุมหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งนะมันก็มาถกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นโลกนี้ในธรรมก็เหมือนกันต้องศึกษาสรุปแล้วถ้าพวกเราศึกษาแล้วนะเราจะรู้ได้ว่าอันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้อันนั้นควรจะวางตนอย่างนั้นอันนั้นคือจ ะ, จะต้องปฏิบัติตนอย่างนี้จะต้องทาใจอย่างนี้จะต้องพิจารณาอย่างนี้ต้องเห็น รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ต้องปล่อยวางอย่างนี้อันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนเพราะนั้นให้พวกเราพุทธศาสนิ ก, กชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเยสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิดแต่ก็อย่าอย่าที่ว่าอย่าวิตกกังวลบางทีใช้จนวิตกกังวลคิดอะไรเขา้ามาตก ว, าว้าเหว้างว้างวิตกกังวลไปหมด อันนั้นก็ไม่ถูกใช้ปัญญาของนี่คือเรื่องอะไรทำอย่างไรมีเหตุผลอะไรทำมันยังเป็นอย่างนี้ทำมันยังเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุยังไงมันมีผลอย่างนั้นมันมีผลมาอย่างนี้มันเป็นเหตุเพราะอะไรต้องคะต้องค้นหาเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นแหละเห็นเห็นเหตุมากผลมากเหตุน้อยผลน้อยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราใช้ปัญญาแล้วก็ ใช้แนวความคิดแล้วลักษณะอย่างนั้นนะคณะทถาญาติอยู่นะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งนะอสรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามอย่าลืมความตายให้ใหคิดไว้อยู่เสมอถ้าพวกเราเลอะ ล, ล็กไว้อยู่เสมอนะนะเออเราจะวางตัวถูกเราจะบริหารจัดการยังไงแต่หลวงพ่อเนะี่ยข้เถือนะหลวงพ่อคิดหลวงพ่ อ, อ, อคิดว่าตัวเองจะตายอ่อ แต่ก่อนที่จะตายหลวงพ่อจะทำสิ่งไหนที่ให้มันเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให้ดีที่สุดนะอย่าไปลืมตัวอันนี้ละอย่าลืมตัวพยายามทาให้ดีที่สุดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหาอย่าทำให้คุณผู้อื่นใครเดือดร้อนแต่ถ้าวา ใครทําไม่ดีล่ะปล่อยปลาละเลยเพราะราลึกถึงความตายไม่ไม่เอาใจใส่เลยอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อไม่ใช่เ อ, อเราต้องพูดตามหลักเหตุและผลใครผิดมันก็ต้องว่าผิดนะถูกมันก็ต้องถูกเอ อ, อย่างหลวงตามหาบัวเหมือนกันะออแต่พระเนนมาอยู่ในวัดของท่าน อ, อถ้าองคไหนาทาเก๊เก๊ก้างกลาเก๊เก๊กากระทำรูลักษณะเ อ, อไม่อยู่ในนั่นน่ะ มีท่านนักเรียงในวัดเองลงตาฟันแลยเปี้ยงยดุดออกไล่นี้จากวัดพระองค์นี้อยู่ไม่ได้อยู่ทาไมเกกะหมูพกเพื่อนนักวัดทําตัวไม่ดีเมื่ออยู่กับหมูพเพื่อนก็ต้องจํารวมกายวาจาให้เป็นคนดีทีพระดีทีเขามาเพื่อการศึกษาเราไม่ไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นถ้ามาเพื่ออย่างอื่นมาทําไมมาอยู่ทําไมที่นี่ไม่ใช่มาเพื่ออย่างอื่นนะมาเพื่อการศึกษานะ มาเพื่อการเรียนรู้นะมาเพื่อปฏิบัตินะชําระกายวาจาใจของตนเองนะแหมไม่ใช่มาเที่ยวมาเตะนะไม่ใช่มาเล่นนะมาที่ทํามาเล่นมาเที่ยวมาเตระนู่นข้างนอกมีอดแล้วเหรอมันอดที่เที่ยวที่เล่นแล้วเหรอมาเที่ยววัดเหรอมาอยู่ใบบพระกรรมาฐานเหรอทําไมไม่ดูมาทำไมไม่ดูตัวเองทําไมไม่ดูครูบาอาจารย์ทําไมไม่ดูหมู่เพื่อนไม่ดูการเทศการสถานที่บุคคลบ้างเหรอทําไมโง่นัก หลวงตาจะทันจะพูดอย่างนั้นนะลูกหลานนะฟังฟังเอาไว้นะรับพร